ทีนี้ท่านอุปสีวะก็ถามต่อไปว่าถ้าผู้นั้นไม่มีความหวั่นไหวพึงดํารงอยู่ในสมาบัตินั้นคือเรียกว่าตั้งมั่นอยู่ในอากิณ น, นั่นแหละถ้าแต่พระองค์ผู้มีพระสมณตาจักษุผู้นั้นข้ามพ้นแล้วมีความเย็นพึงมีในสมาบัตินั้นนั่นแหละแม้มากปีวิญญาณของบุคคล น, นั้นอะ่ะพึงมีหรือก็เหมือนว่าถ้าดํารงมั่นปฏิบัติอยู่ในนั้นจริงๆเนี่ย บรรลุได้ไหมพ้นทุกจริงหรือเปล่าอย่างั้นนะคำถามค้าแบบนี้คำว่าถ้าผู้นั้นพึงดํารงอยู่6 0,000 กับเพราะอายุของอากินจันยายตนะเนี่ยมี 60,000 กับถ้าถ้าในอรมประพ้อไปนะคาว่าปูคำปิวัสาหนังความว่าแม้มากปีคือหลายปีหลายร้อยปีหลายพันหลายแสนปีหลายร้อยกับหลายพันกับหลายแสนกับอย่านัคือถ้าดํารงอยู่แต่อย่างนั้นอ่ะตลอดไปอย่างนั้น พระสัพพัญยุตยานเรียกว่าสมันตะจักสุนี่ก็เป็นคําชมพระพุทธเจ้าคําว่าผู้นั้นเป็นผู้พ้นแล้วมีความเย็นพึงมีในสมาบัตินั่นแหละวิญญาณของบุคคล น, นั้นอะ่ะพึงมีหรื อ, อนนะผู้นั้นอะ่ะอธิบายว่าผู้นั้นพึงถึงเป็นผู้เย็นยั่งยืนเป็นผู้เที่ยงไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาในสมาบัตินั่นแหละพึงอยู่ในสมาบัตินั่นแหละเที่ยงแท้ที่นั่นมันอมาตะเลยใช่ไหม วิญญาณอยู่ในวิญญาอายะกินจัญญาเยตนะภพเนี่ยดำรงอยู่อามาตะตลอดไปที่นั่นเป็นที่ที่ถาวรนินรนนันดรมั่นคงยั่งยืนเลยหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งพราหมณ์นั้นย่อม ถ, มถามถึงความเที่ยงแท้หมายความว่าไปอยู่ในที่นั้นเที่ยงหรือว่าความขาดศูนย์ของบุคคลผู้เกิดในอากินจัญญาเยตนาภพหรือว่าพอไปถึงณตำแหน่งนั้นเกิดณที่นั้นหลังจากนั้นศูนย์ไปหมดเลยอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยนะหมายว่า คำถามก็คือไปเที่ยงณที่นั้นหรือหรือว่าพอไปถึงพบนั้นแล้วก็จะศูนย์หมดเลยอธิบายว่าวิญญาณของผู้นั้นเนี่ยพึงเคลื่อนไปพึงขาดศูนย์พินาศไม่มีปฏิสนธิวิญญาณไม่พึงเกิดในกาลมาทา่ารูปธาตุหรืออรูปธาตุนั้นดังนี้หมายความว่าเกิดในที่นั้นนะหลังจากนั้นนะจุติจากที่นั้นแนละจบหมดเลยใช่ไหมว่างั้น หรือว่าย่อมถามถึงปรินิพานและปฏิสนธิของผู้เกิดแล้วในอากินจัญญายตนะพบว่าบุคคลนั้นย่อมปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานในอากินจัญญายตนะพบนั่นนั่นแหละ น, นะไปไปปรินิพานที่นั่นหรือเปล่าไปเป็นภาตุฐานาที่นั่นหรือเปล่าหรือว่าวิญญาณของบุคคลนั้นอะพึงเคลื่อนไปไม่พึงเกิดปฏิสนธิวิญญาณในกามาธาตุรูปธาตุหรืออรูปธาตุอีกหรือว่ายังต้องกลับมาเกิดอีก นนะหรือว่ายังวนๆอยู่อย่างนี้แหละทางั้นท่านคำถามที่ว่าถ้าผู้นั้นไม่มีความหวั่นไหวพึงดํารงอยู่ในสมาบัตินั้นอะ่ะคืออาศัยฌานดํารงอยู่ในอากิญญาญาตนาสมาบัติไปเกิดในอรูปภพเนี่ยนะตั้งมั่นอยู่ที่นั่นแล้วอย่างเงี้ยถ้าแต่พระองค์ผู้มีสมัญตจากศุนผู้นั้นพ้นแล้วมีความเย็นพึงมีในสมาบัตินั้ น, น, นแหละแม้มากปีวิญญาณของบุคคลนั้นอะ่ะพึงมีหรืออ่า น, นะหมายถึงว่า ไปอมตะที่นั่นหรือว่าไปจบที่นั่นหรือว่าจะต้องวนกลับมาเกิดอีกหรือว่าจะไปยังไงกันอีกเนี่ยนะพอไปถึงณตำแหน่งนั้นแล้วเนี่ยทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสต่อว่าดูก่อนอุปศีวะเปเลวไฟดับไปแล้วเพราะกําลังลมย่อมถึงความไม่มีไม่เข้าถึงความนับฉั้นใด น, นะเหมือนเทียนที่ที่จุดเนี่ยนะเทียนที่จุดแล้วก็หมดไส้หมดไขหมดอะไรหมดแล้วก็ลมพัดมาดับหมดเลยเนี่ยนะชันใด มุนีพ้นจากนามากายย่อมไม่ถึงความไม่มีไม่เข้าถึงความนับฉันนั้นคือถ้าตัดฉันราคาในอรูปในอารูปฌ า, านนั้นได้ก็จะเหมือนไฟที่สิ้นเชื้อนั่นแหละ อ, นนอธิบายว่าเปลวไฟแต่ว่าอาจิเนี่ยนะก็เปลวไฟนะเปลวไฟเนี่ยดับเพราะกำลังลมใช่ไหมลมลมตะวันออกลมตะวันตกลมทิศเหนือทิศใต้ลมมีทุลีไม่มีทุลีลมเย็นลมร้อน ลมแรงลมบ้าหมูลมจากปีกนกปีกครุดใบาตาลเนี่ยนะหรือลมมาเกิดจากพาัดเรียกว่าวาตาคำว่าดับแล้วเพราะกำลังลมคือไฟเนี่ยดับเพราะกำลังลมความว่าดับคือสูญหายหายไปหายสิ้นหมดไป ส, ดสิ้นไปเพราะกำลังลมคำว่าอัดถังเปรเติความว่าย่อมดับคือถึงความสิ้นไปถึงความหมดไปถึงความสงบไประงับไปคาว่าไม่ถึงเข้าถึงความนับ คือไม่เข้าถึงความนับไม่เข้าถึงความอ้างความคาดคะเนความบัญญัติว่าเปลวไฟนั้นไปสู่ทิศชื่อโน้นแล้ว น, นะไฟที่ดับเพราะกำลังลมเนี่ยนะหาทิศไปไม่เจอใช่ไหมว่าไฟนี่หายไปที่ใด น, นะคำว่ามุนีพ้นแล้วจากนามากายมุนีก็คือผู้มีโมเนยธรรมเป็นต้นเนี่ยนะพ้นจาก คำว่าพ้นแล้วจากนามกายคือมูนีนั้นพ้นแล้วจากนามกายและรูปกายก่อนแล้วโดยปกติคือมูนีนั้นละนามกายและรูปกายแล้วด้วยการละคือก้าวล่วงและการข่มด้วยองค์ น, นั้นนี่นะ อาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้อริยมรสีเพราะเป็นผู้ได้อริยมรสีจึงกำหนดรู้นามกายและรูปกายเป็นผู้กำหนดรู้นามกายและรูปกายจึงพ้นพ้นวิเศษจากนามกายและรูปกายด้วยความพ้นวิเศษโดยส่วนเดียวคื อ, อผู้ที่ปกติถ้าได้อรูปประชานอยู่แล้วเนี่ยนะก็ธรรมดาอารูปประชานที่เข้าได้เช่นได้ระดับอากิญจยายตนะสมาบัตินั้นะ ก็ต้องละฉันทราคะในรู ป, ปกายด้วยสมถะอย่างเต็มที่จึงจะได้ทีนี้จะต้องตัดฉั้นทราคะล ะ, อ, ะอรูปฌานชั้นล่างๆมาก่อนแล้วนะพอละอรูปฌานอรูปฌานชั้นล่างๆมาก็มาติดอยู่ที่อากินจัญญายตนะก็เข้าะนะออกจากอากินจัญญายตนะก็เจริญวิปัสสนาเนี่ยนะจนบรรลุอริยมรรคสีั้งแต่โสดาสกทาคามีมักอนาคามีมักอรหัตมรรคเนี่ยนะ อริยมรรคเนี่ยเป็นตัวที่ทําปริญญาในอรูปสมาบัติเหล่านั้นโดยกิจเพราะฉะนั้นอริยมรรคทั้งสีเนี่ยนะมันก็เรียกว่าเป็นผู้ทําปริญญาในนามกายและรู ป, ปกายอย่างนี้แล้วก็ถือว่าเป็นผู้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้โดยวิเศษเพราะฉะนั้นคําว่าถึงความไม่มีคือมุณีนั้นย่อมปรินิพานด้วยอนุปปาที่เสสานิพานธาตุเพราะฉะนั้นถ้าจุติจิตเกิดแล้วก็ถือว่าอันจบเหมือนเปลวไฟเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นมูนีผู้ที่หลุดพ้นด้วยอํานาจของปริญญาอาริยมรเกิดดังที่กล่าวไปเนี่ยย่อมไม่เข้าถึงความนับคือมุนีนั้นไม่เข้าถึงความนับคือไม่เข้าถึงความอ้างความขาดคะแนความบัญยัติไม่ต้องไปกะไปดาวต่อไปไว่าจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์หรือสูตรจะเป็นเครื่องหัตหรือเป็นบรรพชิตเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์เป็นสัตว์มีรูปไม่มีรูปเป็นสัตว์มีสัญญาไม่มีสัญญาหรือว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญา พมูนีนั้นไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีกรณะเครื่องให้ถึงการนับนะไม่มีเหตุอะไรให้ไปนับแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าไฟอธิบายว่าเปลวไฟดับไปแล้วเพราะกำลังลมย่อมถึงความไม่มีไม่เข้าถึงความนับฉันใดมูนีพ้นแล้วจากนามกายย่อมถึงความไม่มีไม่เข้าถึงความนับฉันนั้น ไฟที่สิ้นเชื้อลมพัดดับไปแล้วก็หาที่ไปไม่ได้ฉันใดผ้าหันที่ทำปริญญาในนามกายรูปปกายได้หมดเกลี้ยงได้โดยอริยมรสีเนี่ยนะก็ถึงไม่มีเหมือนกับไยอย่างนั้นนั่นแหละมุนีนั้นเป็นผู้ดับแล้วหรือมุนีนั้นย่อมไม่มีหรือว่ามุนีนั้นเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความเป็นผู้เที่ยงขอพระองค์ผู้เป็นพระมุนีโปรตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยดี พระองค์ทรงทราบธรรมนั้นแล้วแท้จริงคือคือพราหมเนี่ยเขายัางยังตกอยู่ในทิฏฐิอยู่อ่านะตกอยู่ใน ส, สติทิฏฐิและอุเ ช, ชทิฏฐิอยู่ะนะถึงฟังอย่างนั้นก็ยังไม่เข้าใจเพราะว่าไอ้พื้นฐานสําคัญสิ่งนั้นว่าเป็นอัตตาเนี่ยนะคือสำคัญอรูปสมาบัติว่าเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นก็เลยสงสัยว่าเอ๊ยดับแล้วไม่มีหรือว่าย่งยืนกันแน่อ่านะว่าตัวเข้าเองเนี่ยจะดับศูนย์ไปหมดเลยหรือจะเที่ยงอ่ะนะ เพราะอะไรเพราะว่าเขายืนยันเข้าสําคัญว่าไออากินจันยายตนะนี่เป็นอัตาเป็นเขาเป็นตัวเขาจริงๆเลยนะก็เนื่องไม่ได้รู้ว่าสิ่งนั้นอ่ะเป็นสังฆต ธ, ธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเนี่ยนะอธิบายว่าคําว่ามุนีนั้นเป็นผู้ดับแล้วหรือมุนีนั้นอ่ะย่อมไม่มีอันนี้เป็นลักษณะของอุเฉททิฏฐิเนี่ยนะความว่ามุนีนั้นเป็นผู้ดับแล้วหรือว่ามุนีนั้นย่อมไม่มีคือมุนีนั้นดับแล้วขาดศูนย์แล้วหายไปแล้วอ่ะ คือสำคัญนั่นเป็นอัตารามันถ้าอัตราสิ้นไปก็ถือว่าจบศูนย์กันก็เป็นอุเฉติ ท, ทิฏิเนี่ยนะหรือว่าเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความเป็นผู้เที่ยงความว่ามูนีนั้นเป็นผู้ยั่งยืนเป็นผู้เที่ยงไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาพึงตั้งอยู่เที่ยงแท้ในอากินจัญญายตนะพบนั้นนั่นแหลสรุปว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยสรุปจะเที่ยงหรือจะศูนย์กันแน่เนี่ยนะงั้นก็หายไปหมดสิ หรือยั่งยืนเหมนเพราะฉะนั้นก็ถามว่าพระองค์นี่ทรงทราบธรรมะนั้นแล้วแท้จริงความว่าพระองค์นี่ทรงทราบคือทรงรู้ทรงเทียบเคียงพิจรารณาทรงให้แจ่มแจ้งทรงให้ปรากฏแล้วแท้จริงเพราะฉะนั้นคําถามว่ามุนีนั้นเป็นผู้ดับไปแล้วมุนีนั้นย่อมไม่มีอันนี้ถามด้วยอุเชตทิฏฐิหรือว่ามุนีนั้นเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความเป็นผู้เที่ยงอันนี้สัจตตาทิฏฐิเนี่ยนะ ขอพระองค์ผู้เป็นมุนีโปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยดีพระองค์ทรงทราบธรรมานั้นแล้วแท้จริงพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนอุปสีวะบุคคลดับไฟแล้วเอบุคคลผู้ดับไปแล้วย่อมไม่มีประมาณชนทั้งหลายพึงว่าบุคคลนั้นด้วยกิเลสใดกิเลสนั้นไม่มีแก่บุคคลนั้นคือผู้ที่บรรลุอย่างเนี้หาประมาณไม่ได้หรอกแต่ว่า ใครจะไปบอกว่าท่านเนี่ยมีกิเลสอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้เมื่อธรรมะทั้งปวงอันบุคคล น, นั้นถอนเสียแล้วคือตัดฉันทราค่าในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดแล้วแม้ทางแห่งถ้อยคำทั้งปวงบุคคล น, นั้นก็ถอนแล้วต่อไปนะที่ตั้งแห่งชื่อโวหารบัญญัติก็จะไม่มี พันคือถ้าถ้าแยกแยะไอ้ไอโดยเฉพาะอารูปฌานเนี่ยว่าเป็นสังคตะธรรมเป็นธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมชาจนสามารถตัดฉันทราคาในในอรูปสมาบัติเหล่านั้นได้แล้วเนี่ยนะพ <c oughs> ันผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้แล้วบรรลุอย่างเนี้ยไม่มีประมาณ <c oughs> คําว่าผู้ดับไปแล้วย่อมไม่มีประมาณความว่า บุคคลผู้ดับไปแล้วคือผู้ปรินิพานด้วยอนุปาที่เสสานิพ า, านธาตุย่อมไม่มีย่อมไม่ปรากฏย่อมไม่ประจักษ์ประมาณแห่งรูปประมาณแห่งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณประมาณแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้น อ, อันบุคคลผู้ดับไปแล้วละได้แล้วตัดขาดแล้วให้สงบแล้วระงับแล้วไม่ให้เกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยาน เพราะฉะนั้นผู้ดับไปแล้วย่อมไม่มีประมาณคือเอาอะไรมาประมาณเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรมาประมาณคือจริงๆเนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็ยึดถือในขันห้านะว่าเป็นตนใช่ไหมคือเนื่องจากสําคัญผิดแบบนั้นก็ไม่ได้เจริญวิปัสนาพิจารณาขันห้าเหล่านั้นตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็ห่วงมา ก, กนะกลัวอัตราตัวเองจะศูนย์เหมือนแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ตัดฉันทราคาในอุปาทานขันห้าเนี่ยนะก็ไม่ได้สําคัญว่า สิ่งเหล่านั้นเป็นเราเป็นของเราเป็นต้นเป็นผู้ดับตัดกิเลสไม่ไ ม, ไม่ไม่ก่อขันห้าขึ้นอีกเนี่ยนะที่เรียกว่าตัดตัดใจตัดเชื้อที่จะให้ขันห้าลุกโผลงขึ้นอีกคําว่าชนทั้งหลายพึงว่าบุคคล น, นั้นด้วยกิเลสใดกิเลสนั้นไม่มีแก่บุคคลผู้นั้นมันถ้าพ ถ, ถ้าผ้ารหันเนี่ยนะทำปริญญาในอุปาทานขันห้าเสร็จเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจะไปกล่าวว่าผ้ารหันนั้นน่ะ เป็นผู้มีราคะมีโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาอนุสัยใดนะจะไปไปโยนกิเลสให้ท่านแบบนั้นว่าท่านยังเป็นผู้กำนัดคัดเครื่องเป็นผู้หลงปีมานะผูกพันถือมั่นเป็นผู้ฝูงซ่านไม่ตกลงใจหรือว่ามีกิเลสที่มีกำลังอภิสังขารเหล่านั้นคือกิเลสทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยพาหันละเสียแล้วบาปอากุศลท่านละแล้วเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้มีอาภีสังขารคือลากกิเลส ทาระกิเลส ก, ก็เป็นอันละกรรมด้วยเนี่ยนะ squirrel. ละกรรมเสร็จแล้วถ้าละกรรมได้อย่างนั้นแหละจะไปว่าท่านเกิดด้วยคติใดอ่นะคือถ้าละกิเลสถ้าสิ้นกิเลส ก, ก็สิ้นกรรมถ้าสิ้นกรรมเนี่ยจะไปบอกว่าท่านเนี่ยเป็นผู้เกิดในนรกในราชานเปรติวิสัยมนุษย์หรือเทวดาว่าได้ไหมไม่ได้หรือจะไปว่าท่านเป็นสัตว์มีรูปไม่มีรูปมีสัญญาไม่มีสัญญาหรือเนวะสัญญานาสัญญาก็ว่าไม่ได้เหมือกนกันบุคคลนั้นไม่มีเหตไุไม่มีปัจจัยไม่มีกาณะอัน เป็นเครื่องให้ชนทั้งหลายพึงว่าพึงกล่าวพึงพูดถึงได้คือพูดทั้งว่าโดยแง่กิเลสท่านก็สิ้นกิเลสหมดแล้วถ้าสิ้นกิเลสก็ถือว่าสินรราส้นกรรมถ้าสิน้นกรรมปฏิสนธิในที่ต่างๆในคติห้ากำเนิดสี่เนี่ยนะในภพสามไม่มีเมื่อไม่มีก็ไม่มีอะไม่รู้จะไปไปโยนเรียกท่านว่ายังไงต่อไปเนี่ยนะเมื่อธรรมะทั้งปวงอันบุคคล น, นั้นถอนเสียแล้ว เพราะท่านถอนวัตตะได้หมดแล้วความว่าเมื่อทำทั้งปวงคือขันธาตุอายตนาคติอุบัติปฏิสนที่พบสงสารวัตตะทั้งปวงอันบุคคล น, นั้นถอนขึ้นเสียแล้วถอนขันธาตุอายตนาก็คือถอนกิเลสในขันธาตุอายตนาทั้งหมด น, นนะนะเพราะฉะนั้นเมื่อถอนกิเลสในขันธาตุอายตนาไอคติหอุบัติปฏิสนที่พบสงสารวัตตะทั้งปวงก็เลยถอนขึ้นเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องมีปฏิสนที่อีก คือถอนขึ้นถอนพร้อมแล้วฉุดขึ้นแล้วฉุดขึ้นพร้อมแล้วเพิกขึ้นแล้วเพิกขึ้นพร้อมแล้วละขาดแล้วตัดขาดแล้วสงบแล้วระงับแล้วทําไม่ให้เกิดขึ้นแล้วเผาเสรยจแล้วด้วยไฟคือยานเพราะฉะนั้นเมื่อธรรมะทั้งปวงอันบุคคลนั้นถอนเสียจแล้วเนี่ยนะตัดฉันทราคะหมดแล้วเพราะฉะนั้นแม้ทางแห่งถ้อยคําทั้งปวงบุคคลนั้นก็ถอนเสียจแล้วคือกิเลสขันอภิสังขารเรียกว่าถ้อยคํา ทางแห่งถ้อยคําชื่อว่านิรุตเนีตัวที่ที่เป็นที่เรียกว่าอาศัยกิเลสอาศัยขันอาศัยกรรมเนี่ยนะสรุปอาศัยกิเลสวัดกรรมวัดวิปากวัดเนี่ยที่เป็นนี้เรียกว่าถ้อยคําเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดถึงก็พูดถึงนะว่าใครเป็นใครก็อาศัยกิเลสอาศัยขันอาศัยอาพิสังขานคือวัตตะสามเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวัตตาเหล่านั้นเนี่ยนะ บุคคลนั้นถอนขึ้นแล้วถอนขึ้นพร้อมแล้วฉุดขึ้นแล้วฉุดขึ้นพร้อมแล้วเพิกแล้วเพิกขึ้นพร้อมแล้วละขาดแล้วตัดขาดแล้วสงบแล้วระงับแล้วทําให้ไม่อาจเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานเพราะฉะนั้นที่ตั้งแห่งถ้อยคําที่ตั้งแห่งคําพูดที่ตั้งแห่งบัญญัติไม่มีเพราะบัญญัตินี้จะต้องอาศัยกิเลสอาศัยขันอาศัยอภิสังขารถ้าถอนกิเลสก็เป็นอันถอนกรรมถ้าถอนกรรมปฏิสนธิขันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสรุปว่าบุคคลผู้ดับไปแล้ว ย่อมไม่มีประมาณคือพาหันปริเพานะด้วยอนุปาทิเสสะไม่มีประมาณชนทั้งหลายพึงว่าบุคคล น, นั้นโดยกิเลสใดคือยกกิเลสว่าท่านมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นเนี่ยนะกิเลสเหล่านั้นไม่มีแก่บุคคล น, นั้นเมื่อทำทั้งปวงอันบุคคล น, นั้นถอนเสร็จแล้วคือถอนกิเลสในในวัฏะได้หมดแล้วอะ่ะก็เท่ากับถอนว ต, ตะเพราะฉะนั้นถ้าถอนว ต, ตะได้หมดอย่างนี้แล้วแม้ทางแห่งถ้อยคําทั้งปวงบุคคล น, นั้นก็ถอนเสร็จแล้ว ที่ตั้งแห่งโวหารที่ตั้งแห่งคำพูดที่ตั้งแห่งชื่อทั้งหลายท่านก็ถอนหมดแล้วเพราะฉะนั้นพอฟังจบปั๊บท่านพระอุปสีวมานพพร้อมทั้งลูกศิษย์ของท่านนะนะก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ส่วนเทวดาและมนุษย์ก็บรรลุเป็นพระยะมีพระโสดาบันเป็นต้นนะาของเราก็ผ่านไปอีกสูตรหนึ่ง